มาปฏิบัติที่นี่อย่างน้อยๆเนี่ยนะก็ให้รู้จักตัวหลงเอาไว้นะมาปฏิบัติแม้เพียงวันเดียวเนี่ยก็น่าจะรู้จักตัวนี้แล้วนะตัวหลงตัวหลงที่มันมันครอบงาใจเราอยู่บ่อยๆเนี่ยสังเกตรหรือเปล่าตอนที่เราปฏิบัติยกมือสร้างจังหวะหรือเดินจงกรมหรือแม้แต่ กินข้าวล้างหน้าถูฟันเนี่ยใจมันเผลอนะเผลอคิดไปถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ปกติก็อาจจะไม่ค่อยสังเกตะนะโดยเพราะเวลาเราทำกิจวัตรประจำวันที่ทำแบบซ้ำซากมาเป็นเวลาหลายปีแต่พอเราเริ่มมาเดินจงกรมมาสร้างจังหวะครูบาอาจารย์ก็บอกว่าให้รู้สึกตัว นะแล้วเป็นยังไงนะการมันก็เผลอคิดคิดเป็น่วนคิดเป็น น, น, น, นี่ตรงนั้นแหละเขาเรียกว่าหลงแล้วล่ะนะความหมายหนึ่งของตัวหลงก็คือลืมตัวหรือไม่รู้ตัวเราตั้งใจว่านะจะไม่คิดอะไรนะจะแค่รู้สึกนะเวลามือเคลื่อนไห ว, ทวเท้าเคลื่อนขยับ แต่เพลเพ็บเดียวเนี่ยไปละนะให้รู้นั่นน่นนะเรียกว่าตัวหลงละนะหลงเข้าไปในความคิดแต่หลงเข้าไปในความคิดขณะที่ปฏิบัตินี่มันไม่ค่อยเท่าไหลนะเพราะว่าหลงไปสักพักก็จะกลับมารู้สึกตัวนะแต่ในชีวิตประจำวันเนี่ยคนเราเนี่ยถลงเข้าไปในความคิดแล้วเนี่ยมันออกมายากนะ ที่ทะเลาะบอกแวงกันไม่ว่าในบ้านในที่ทำงานนะหรือตามเพจเฟซบุ๊กเนี่ยนะมันก็เพราะหลงนะหลงก็ไปในความคิดพอพบหรือรู้หรืออ่านว่ามีคนเห็นหรือคิดไม่เหมือนเรานะ่ก็เกิดความไม่พอใจนะความคิดที่ยึดติดถือมั่นไว้ในใจเนี่ยมันก็จะสั่งให้เรา ตอบโต้หรือว่าวิพากวิจาร์หรือว่าโจมตีอาถึงขั้นด่าว่าอันนั้นเรียกว่าทำไปด้วยอำนาจของความหลงนะสังเกตบ้างหรือเปล่าความคิดมันสั่งให้ดา่าสั่งให้ว่าคนที่คิดไม่เหมือนเราบางทีก็เป็นคนรู้จักกันแต่มีความเห็นต่างกันในที่ประชุม ก็พยายามที่จะหักล้างความคิดที่แตกต่างจากเราแตกต่างจากที่เราคิดเนี่ยโดยที่ไม่สนใจว่าจะพูดอะไรลงจะพูดอะไรออกไปบางทีก็ว่าทำให้เขาเจ็บช้ำน้ำใจหรือโกรธแค้ น, นอันนั้นแหละคือฤทธิ์เดชของความหลง ซึ่งจ้าอาวาไปก็ถือว่าเบาๆนะในที่หลงถึงขั้นเนี่ยลงมือลงไม้นะยกพวกเขาหํำหันกันนะในนามของลัทธิอุดมการที่แตกต่างกันหรือว่าความเชื่อทางการเมืองที่แตกต่างกันอันนี้ก็ยิ่งหนักเข้าไปใหญ่ แล้วคนก็ไม่ค่อยรู้นะว่านี่คือความหลงหรือว่าเป็นริ้ดเดของตัวหลงก็ให้เราไารู้จักเอาไว้นะตัวหลงนขนาดที่เราปฏิบัติอยู่นี่จิตมันส่งออกนอกอยู่เป็นประจำหรือว่าหลงเข้าไปในความคิดในชีวิตประจำวันเราอาจจะไม่ทันสังเกตนะเพราะว่ามันมีกิจให้เราต้องจดจ่อใส่ใจสิ่งข้างนอกหรือว่าส่งจิตออกนอกอยู่เป็นประจํา ขับรถขับราทำครัวหรือว่าทำงานไม่ว่าจะใช้ไม่ว่าอยู่ในสำนักงานหรือออกไปข้างนอกคนที่เป็นช่างเขาก็สนใจสิ่งที่อยู่นอกตัวคนที่ทำงานเป็นหมอเป็นวิศวะก็จดจอ่ออยู่กับงานที่อยู่ข้างหน้าบางครั้งใจมันก็หลงเข้าไปในความคิดเรื่องอื่น ที่ไม่เกี่ยวกับงานเฉพาะหน้าก็ไม่ทันสังเกตแต่ว่าพอเรามาปฏิบัตอย่างเงี้ยนะจะเห็นชัดเพราะว่าเราเหมือนกับว่าตั้งกติกาว่าจะรักษาใจให้อยู่กับเนื้อกับตัวให้รู้นะให้รู้สึกว่าตัวกำลังทำอะไรมือเคลื่อนไหวเท้ากำลังเดิน พอจิตมันแรกออกไปเนี่ยหรือส่งจิตออกนอกเนี่ยไอตอนที่มันส่งจิตออกนอกนี่ก็จะไม่รู้ตัวนะแต่พอไปสักพักเอานึกขึ้นมาได้ว่าทำปิดกติกาแล้วนะกติกาคือให้ใจกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวนะมันจะเห็นความแตกต่างนะทุกครั้งที่ใจส่งส่งจิตออกนอกเนี่ยแหละ เราก็จะรู้เลยว่าอ๋อเนี่เป็นเพราะความหลงแต่ก่อนเวลาส่งเจดนอกนอเนี่ยเราไม่รู้นะเพราะบางทีเราค้ยว่าอันนี้เป็นการทํางานนี่เป็นการนี่เรากําลังทํางานอยู่ไอ้ตัวหลงมันก็มาเดินเียนๆ น, น, นะมันก็เข้ามาช่วยโอกาสตอนที่เราทํางานจดจ่อยอยู่กับงานที่อยู่ข้างหน้าบางทีกําลังอ่านหนังสืออยู่หรือว่ากำลังดูรายงานมันก็แว บ, บออกไป ข้างนอกบางทีดูโทรศัพท์มือถือเนะีดูข้อความเดี๋ยวมก็หลุดเข้าไปในอารมณ์เกิดความขุ่นมัวขัดเคืองนะในข้อความที่เห็นหรืออาจจะเลิงโลดดีใจนะในภาพที่ปรากฏอยู่ข้างหน้าตอนนั้นเราก็ไม่สังเกตหรอก ว, ว่านั่คือความหลงแบบเหมือนกันนะมันไม่ใช่หลงความคิดแต่มันหลงอารมณ์หรือว่าหลงเข้าไปในอารมณ์ มันเกิดขึ้นอยู่เป็นประจำนะในขณะที่เราทํางานแต่เนื่องจากมันปักปนอยู่นะเราก็เลยไม่ทันสังเกตแต่พอเรามาปฏิบัติเนี่ยเราจะเห็นชัดนะโอมันส่งจิตออกนอกอยู่เรียกว่าทุกนาทีเลยก็ว่าได้อันนั้นเลยเรียกว่าหลงแล้วนะเพราะเผลอเพราะไม่รู้ตัวเราจรึง จิตจึงออกไปโลดแล่นหรือว่าไปเพ่นพานอยู่ข้างนอกบางทีก็ไหลเข้าไปในอดีตลอยไปอนาคตปฏิบัติแค่หนึ่งวันเนี่ยถ้าได้เห็นได้รู้จักตัวหลงในระดับนี้เนี่ ย, ย ก, ก็ถือว่าใช้ได้แล้วถึงแม้ว่ายังไม่ค่อยรู้สึกตัวเท่าไหร่บางคนปฏิบัติแค่วันเดียวเนี่ยก็ พอไม่ยังไม่ค่อยรู้สึกตัวก็หงุดหงิดรู้สึกว่าตัวเองปฏิบัติล้มเหลวนะยังไม่ต้องถึงขั้นนั้นหรอกนะเอาแค่ว่าให้ให้รู้จักตัวหลงนะหรือว่าได้เห็นนะการทำงานของมันหลงนี่มีสองอย่างนะก็คือไม่รู้ตัวกับไม่รู้ความจริง ไม่รู้ความจริงเนี่ยมันก็คืออวิชชานั่นแหละมันค่อนข้างจะละเอียดนะแล้วก็อยู่ลึกเช่นไม่รู้ความจริงว่ามันไม่มีแม้กระทั่งตัวเราอันเนี้เข้าใจยากแล้วก็ใจก็ปฏิเสธด้วยแต่ว่าไอ้การไม่รู้ตัวเนี่ยอันนี้เห็นง่ายกว่า แต่คนส่วนใหญ่ก็ไม่เห็นนะเพราะว่าเวลาหลงเนี่ยนะใจมันก็จะจมอยู่ในความคิดหรือในอารมณ์หลงความคิดหลงในอารมณ์แล้วเวลาหลงแล้วเนี่ยนะใจมันก็จะเตลิดเปิดเปิงไปยากที่จะรู้เนื้อรู้ตัวได้และยิ่งเป็นอารมณ์แล้วเนี่ยถ้ามันครอบงำใจแล้วเนี่ยมันยิ่งทำให้เรา มือนก็เมาไปเลยก็ว่าได้นะเรียกวเมาอารมณ์ก็ได้ไม่ว่าจะเป็นความโศกความเศร้าความเสียใจความโกรธไปจมดิ่งเข้าไปในอารมณ์นั้นมันเป็นการยากนะที่จะมารู้ทันอารมณ์ถ้าสติเราเนี่ยไม่ได้ฝึกมาเลยที่จริงเราก็มีสติแล้วเราก็ใช้สติอยู่เป็นประจำนะสติ ความหมายนะันคือความว่าแปลว่าเราลึกได้จำได้เช่นเราจาได้ว่ากุติเราที่พักเราอยู่ตรงไหนออกจากศาลานี้จะเลี้ยวซ้ายหรือตรงไปเราจำได้เมื่อวานนี้หรือเมื่อเช้านี้เรากินอะไรมีกับข้าวอะไรบ้างที่ผ่าน ที่เข้าไปในท้องของเราเราก็จําได้เวลาเราทํางานเราก็ใช้ความจําความระลึกได้เนี่ยนะจึงทํางานได้ไม่ว่าจะเป็นชาวนาชาวสวนหมอวิศวกรนักบัญชีนักกฎหมายอย่างนักบัญชีหมอวิศวกรนี่ก็ต้องมีความรู้ต้องอาศัยความรู้หมอนี่ก็ต้องใช้ความรู้นะที่จดจํามา ในการวินิจฉัยคนไข้นัก บ, บัญชีก็ต้องจดจําระเบียบวิธีการในการทําบัญชีจึงจะประสบความสําเร็จนักกฎหมายก็ต้องจํากฎหมายจํามาตราที่สําคัญสาคัญได้ไอ้พวกนี้เป็นเรื่องของสตินะเป็นงานของสติแต่มันยังเป็นการระลึกได้ในเรื่องนอกตัวสิ่งที่เราจําเป็นจะต้องมีก็คือความระลึกได้ในเรื่องกายเรื่องใจ ซึ่งจะช่วยทำให้รู้ทันหรือรู้ตัวนะเวลาหลงเข้าไปในความคิดหลงเข้าไปในอารมณ์สติอย่างนี้เราเรียกว่าสัมมาสตินะมันไม่ใช่สติสามันสติสามันที่ใช้ในชีวิตประจาวันเราไม่เรียกว่าสัมมาสติมันอาจจะเป็นมิจฉาสติก็ได้ เช่นราลึกนึกถึงคิดนึกจดจำได้ในเรื่องที่ทำให้หมุ่นมองขุนมัวโกรธแค้นทำให้จิตเป็นอกนุศลไอความระลึกได้แบบนี้คือเร่มิจฉาสตินะคือมันทำให้เกิดนะอารมณ์อกุศลขึ้นมาส่วนสมาสติก็คือความระลึกได้ในเรื่องกายเรื่องใจนะทำให้รู้เรารู้ทันความคิดและอารมณ์ที่เกิดขึ้นหรือกาลังครอบงาจิตอยู่ สติมันจะเป็นตัวดึงจิตออกมาจากความหลงออกมาจากความคิดและอารมณ์กลับมาอยู่กับเนื้อกัตัวทำให้เกิดความรู้สึกตัวขึ้นมาถ้าเราไม่ฝึกสติที่เรียกว่าสัมมาสติเนี่ยมันก็จะหลงจมเข้าไปในความคิดและอารมณ์เรียกว่าดิ่งลงไปเลยก็ว่าได้ แต่ไม่ใช่ว่าจะคนธรรมดาจะไม่มีสัมมาสตินะมันก็มีแต่ว่ามันอ่อนทำงานช้าบางทีก็ต้องอาศัยตัวช่วยอย่างเช่นเราอาจกำลังใจลอยฝันกลางวันหรือว่าคุณคิดถึงเหตุการณ์ที่ชวนให้โศกเศร้ากำลังใจลอยอยู่มีคนเรียกชื่อเราหรือมีคนมาแตะ มือเรานะแตะหลาเราทันใดนั้นเองเราก็จะรู้สึกตัวเลยตอนนั้นเพราะว่าสติเนี่ยเขาเรียกว่าพอถูกแตะหรือถูกเรียกชื่อเราได้สติขึ้นมาเลยพอเราได้สติขึ้นมาเราก็รู้สึกตัวจิตมันกลับมาอยู่กับปัจจุบันก็เกิดความรู้สึกตัวขึ้นอันนี้เรียกว่าสติมันทางานหรือว่าได้สติเพราะมีเสียงเรียกชื่อเราหรือว่ามีคนมาแตะตัวมันทาให เจตเนี่ยมันหลุดจากความคิดฟุ้งซ่านออกมาได้หรือบางทีก็หลุดจากอารมณ์ก็ได้เหมือนกันนะคนเวลาโกรธเนี่ยนะบางทีมันหน้า ม, มืดนะโกรธนี่หน้า ม, มืดทําอะไรไปก็ไม่รู้ตัวหรอกบางทีก็ต่อว่าอุปการีนะพอรู้ตัวก็มาเสียใจายภายหลังนะบางทีก็ต่อว่าลูกต่อว่าคนรัก บางทีก็คว้างปาเข้าของตอนนั้นไม่รู้ตัวนะถึงแม้จะรู้ว่าของอยู่ไหนถึงแม้จะรู้ว่าพูดอะไรถึงจะทาให้เขาเจ็บแสบเจ็บปวดหรือถึงแม้จะรู้ว่าคว้างอะไรมันจะทำให้ อ, อีกฝ่ายยึงเกิดความไม่พอใจมันก็รู้แค่นั้นแหละแต่มันไม่รู้ตัวพออารมณ์นี่มันได้รับการปลดปล่อยคือด่าไปแล้ว ทำลายเข้าของไปแล้วอารมณ์มันก็ค่อยลดลงตอนนั้นแหละสัมมาสติก็จะมาทางานทันทีรู้ตัวขึ้นมารู้ตัวก็เสียใจไอตอนเสียใจก็หลงเข้าไปในอารมณ์ใหม่นะรู้ตัวประเดี๋ยวประดาเสร็จแล้วหลุดหลงเข้าไปหลุดเข้าไปในอารมณ์คราวนี้เป็นอารมณ์เสียใจสานึกไม่ใช่สำนึกผิดรู้สึกผิดก็จมเข้าไปในอารมณ์หลงเข้าไปในอารมณ์อีกแบบหนึ่ง จนก็จะมีคนมามาพูดมาเตือนถึงค่อยรู้สึกตัวขึ้นมาส่วนใหญ่เนะี่ยคนเราเนี่ยจะหลุดจออกจากความหลงนะที่มันแรงๆได้เนี่ยก็ต้องอาศัยหนึ่งระบายหรือทำตา ม, า ม, ามอารมณ์ไปจนกระทั่งหมดแม็กแล้วนะด่าจนหมดแม็กแล้วเนี่ยถึงค่อยรู้ตัวเพราะว่าอารมณ์มันก็ระบายไปหมด หรือมิฉะนั้นก็มีตัวช่วยเนี่ยมีคนมาพูดมีคนมาเตือนบางทีก็มีคนมาแค่สัมผัสที่โรงเรียนหนึ่งเนี่ยมันมีเป็นโรงเรียนชื่อดังย่านชานเมืองนะกทมอตอนเย็นเนี่ยผู้ปกครองก็จะมารับเด็กทุกคนเนี่ยมีรถส่วนตัวมารับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนเย็นเลิกเรียน รถก็จะติดกันเป็นแพร่กว่าจะเข้าไปในโรงเรียนได้เ <c oughs> ข้าไปแล้วก็หาที่จอดรถยากผู้ปกครองคนหนึ่งขณะที่รอรถขย่นขยับก็สังเกตว่าขวามือมันมีที่จอดรถปกติตามระเบียบเนี่ยก็ต้องตรงไปข้างหน้าแล้วก็ยูเทิร์นกลับมาถึงจะจอดรถตรงจุดนั้นได้ แต่ว่าผู้พหุ น, นี้นะก็ใหญ่ซิกแซนะอาจจะเป็นคนที่ชอบลักคิวเป็นประจำเพราะฉะนั้นก็ไม่ทำตามระเบียบแทนที่จะ อ, อยู่เทินเชือก่อนก็หักขวาเลยรถนี่ก็เสียบนะเข้าที่จอดรถซึ่งเป็นที่จอดรถ อ, อันเดียวที่เหลืออยู่ เจ้าตัวก็ดีใจนะแต่ว่าผู้ปกครองอคนหนึ่งเนี่ยซึ่งเขาก็เล่งที่จอดรถตรงนั้นไว้เขาขับรถตามกติ ก, กาคือเขาอยู่เธอแล้วก็ก็จะเข้าเนี่ยที่จอดรถเนี่ยพอถูกแย้งไปต่อหน้าต่อตาเนี่ยยังไม่ถูกต้องเขาก็ไม่พอใจก็ลงจากรถมาต่อว่าผู้ปกครองคนแรกซึ่งเป็นทหารทหารยศสูงด้วยอาจจะยศ นายพลก็เป็นไปได้หรื อ, อยังตำตำก็นายพันฐานคนนี้เนี่ยนายทานคนนี้ไม่เคยถูกต่อว่าแบบนี้มาก่อนก็โกรธแล้วก็พูดขึ้นมาคุณรู้ไหมว่าผมเป็นใครผู้ปกครองคนนั้นก็บอกผมไม่รู้หรอกแต่คุณทําไม่ถูกเนี่ยทันนี้ใช้ไม่ได้แล้วก็เดินหันหลังนจะ ก, กลับไปที่รถของตัวนายทานคนนั้นถูกว่าเนี่ยโกรธก็หยิบปืนที่เก็บไว้ในรถเนี่ย แล้วก็ลงจากรถตามเดินตามหลังผู้ปกครองคนนั้นผู้ของ น, นั้นไม่รู้ไม่รู้เรื่องเลยนะว่ากําลังจะถึงคาดแ ล, ล้วเพราะว่าายทางคนนั้นนี่โกรธมากเดินถือปืนบังเอิญใกล้ๆกันมีมีพนัก ง, งานของโรงเรียนเป็นพนัก ง, งานขับรถแล้วก็เป็นคนที่นอกจากมีน้ําใจดีแล้วนะ ก็ยังมีปฏิพานแกรู้ว่าถ้าปล่อยไปนี่เกิดเรื่องแนะ่ก็เลยต้องจําเป็นต้องเข้าไปเข้าไปห้ามแต่ถ้าห้ามไม่ถูกนี่ก็พล เ, เมืองนี่ก็อาจจะตายได้นะอย่างที่มีตัวอย่างมาเยอะแล้วทํำยังไงเนี่ยถึงจะถึงจะห้ามไม่ให้เขาทําอย่างนั้นไ ม, ไม่ให้ไม้เขาไปยิงนะผู้ปกครองแกก็เดินเข้าไปนะั่นแล้วก็ไปแตะมือเบาๆ ของนทหารคนนั้นแล้วก็พูดขึ้นมาว่าคุณพ่อครับคุณพ่อมารับรู้ไม่ใช่หรือครับเท่านี้แหละนะนายทหารคนนั้นซึ่งกําลังโกรธจัดเลยนะได้สติเลยพอได้สตินะความโกรธนั้นหายเลยนะชะ ง, งักเลยเท้านี่ชะ ง, งักเลยรู้ตัวเลยว่ากําลังจะทําอะไรไอ้ตอนนั้นไม่รู้ตัวนะจะไปยิงเขาแล้วยังไม่รู้ตัวเพราะทําไปด้วยอํานาจของความโกรธ นี่แหละเรียกว่าความหลงพอรู้ตัวขึ้นนะเดินหันหลังกลับเลยกลับไปที่รถเอาปืนไปเก็บนะอันนี้เรียกได้สติเพราะมีคนช่วยแล้วคนเราส่วนใหญ่ก็เป็นอย่างนั้นนะคือได้สติเพราะมีตัวช่วยแต่ถ้าเกิดไม่มีตัวช่วยทำไงนะก็เดือดร้อนไปแล้วที่จริงการปฏิบัติที่นี่เนี่ยนะไอ้การยกมือสร้างจังหวะ น, นี่แหละคือตัวช่วยเหมือนกันนะ เวลาเรายกมือเนี่ยมันจะมีความรู้สึกว่ามือกำลังขยืนขยับเวลาเดินเนี่ยมันจะเกิดความรู้สึกขึ้นมาว่าตัวกาลัขงขยืนขยับตอนที่ใจเราเผลอลอยไปโน้นลอยไปนี่เนี่ยไอความรู้สึกที่มือก็ดีที่เท้าก็ดีหรือความรู้สึกที่เกิด ข, ขึ้นกับทั้งตัวก็ดีเนี่ยมันจะไปคล้ายๆว่าไปเรียก ส, สติไปเตือนไปเตือนจิตให้กลับมามีสติ เป็นความรู้สึก ข, ของกายเนี่ยนะมันจะไปทักมันจะไปเตือนจิตให้กลับมามีสติพอจิตมีสติขึ้นมารู้ว่าหลงรั่เผลอไปมันกลับมาเลยเนี่อันนี้เพี้ยนเพราทําไมเนี่ยถึงใช้วิธีการยกมือถึงใช้วิธีการาเดินที่จริงไม่ยกมือก็ได้พริกมือไปพลิกมือมาก็ได้หรื อ, อาตามลมหายใจหรือใช้ลมหายใจเป็นตัวช่วยก็ได้แต่ลมหายใจนี่มันเบา คนที่ปฏิบัติใหม่ๆนะกำลังหลงในความคิดเนี่ยอรมณหายใจมันเบาไม่สามารถจะสะ ก, กิดหรือเรีย ก, กจิตให้กลับมามีสติได้นะแม้กระทั่งการใช้มือเนี่ยหรือว่าเดินเนี่ยมันก็เป็นอารมณ์ที่ยากแต่สังเกตไหมเวลาจิตมันไหลเข้าไปในความคิดหรือหลงเข้าไปในอารมณ์เนี่ยบางทียังไม่รู้สึกเลยไม่รู้สึกว่ามือเคลื่อนไหวไม่รู้สึกวตัวกาลังเดินด้วยซ้า ความรู้สึกทางกายมันหายไปหมดเลยเพราะตอนนั้นจิตมันจมเข้าไปในอารมณ์และความคิดหรือบางทีอาจจะอาจจะเมามัน ก, กับความคิดก็ได้นะแต่สักพักเนี่ยเราจะรู้สึกว่ามือกลังเคลื่อนไหวเท้ากำลังเดินนะตรงนั้นแหละโชว์ขณะนั้นแหละนะที่จิตจะกลับมามีสติขึ้นมาเหมือนกับมีคนมาทักเหมือนกับมีคนมาแตะมือนะแต่ว่ามันไม่ใช่คนมาแตะนะ มันเป็นความรู้สึกทางกายที่เกิดขึ้นจากการเดินการยกมือของเราเองไอนน้ความรู้สึกตัวเนี่ยมันเกิดขึ้นได้จากการที่มีความรู้สึกทางกายเข้าไปเตือนจิตให้กลับมามีสตินะอันนี้ก็เป็นประโยชน์นะที่ถ้าเราทำบ่อยๆเนี่ยจิตเราจะมีสติได้ไวขึ้นมีสติได้ไวขึ้นแต่ก่อนคิดไปสิบเรื่องถึงค่อยมีสตินะแต่ว่าทํานี่ บ, บ่อยๆทํำนี่บ่อ ย, ยเนี่ย คิดไปแปดเรื่องก็มดเริ่มมีสติแล้วต่อไปเนี่ยคิดไปห้าเรื่องก็มีสติแล้วต่อไปคิดไปได้เรื่องสองเรื่องก็มีสติรู้ตัวหลงไปรู้ตัวเผลอไปกลับมาเลยทำไปนานกว่านี้นะแล้วถ้าทำถูกเนี่ยคิดไปไม่ทันจบเรื่องนะรู้ตัวแล้วนะไอ้ความรู้สึกทางกายที่มือที่หรือที่เท้าเนี่ยหรือทั้งตัวเนี่ยมันมาเตือนนะเหมือนกับเป็นส่งสัญญาณมาเตือน จิตให้กลับมีสติทําให้เกิดความรู้สึกตัวขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยน ะ, ะการปฏิบัติเนี่ยที่ให้ยกมือสร้างจังหวะหรือว่าเดินยังกรมหรือว่าให้มีการขยีขย้ขยับไม่ว่าจะในอิรียบทใดก็ตามเนี่ยมันจะช่วยได้ถึงแม้เราจะไม่สร้างจังหวะไม่เดินยังกรมเราอยู่ในห้องน้ําเราคลึงนิ้วระว่างที่เราถ่ายหนักเราคลึงนิ้วไปด้วยก็ได้เนี่ยคลึงนิ้วเบา ระหว่างที่เรารอฉันอาหารรอกินอาหารเราก็พลิกมือไปพลิกมือมากระดิกนิ้วอย่าอยู่นิ่งๆ น, นะให้ให้มีการเคลื่อนไหวนะในของร่างกายแม้จะเล็กน้อยหรือว่ารับรู้มากกาหนดที่ลมหายใจเบาๆก็ได้นะใช้ความรู้สึกทางกายเนี่ยเป็นเครื่องเตือนจิตให้มีสติ น, ะนี่ถ้าเรามีสตินะทันนะรู้ทันไป พอมีสติรู้ทันไอ้ความคิดและอารมณ์บ่อยๆเนี่ยต่อไปก็จะรู้ทางรู้ทางว่าความคิดนี่มันจะมาแบบไหนอารมณ์นี่มันจะมาไม้ไหนคนเวลาจมอยู่ในอารมณ์เนี่ยนะอารมณ์เนี่ยใดๆก็ตามเนี่ยมันจะพยายามครองจิตครองใจเราให้นานที่สุดมันมีรูปไม้หลายอย่างมากเช่นเวลาเราโกรธเนี่ย ความโกรธนี่มันจะสั่งให้จิตส่งออกนอกไปเพ่งอยู่ที่คนที่พูดไม่ดีกับเราทำไม่ดีกับเราไปเพ่งที่ต้นเสียงที่มันมาทำให้เราหงุดหงิดลำคาญอันนี้ก็เป็นอุบายของของความโกรธนะมันต้องการให้จิตเราส่งออกนอกจะได้ไม่หันกลับมารู้ทันว่ามีอารมณ์เกิดขึ้นอารมณ์พวกที่มันมีจุดอ่อนนะคือมันกลัวถูกรู้ถูกเห็น ถูกรู้ถูกเห็นด้วยสติเพราะถ้าสติมารู้มาเห็นเมื่อไหร่เนี่ยมันอ่อนมันเหลวมันหายไปเลยนะเหมือนกับที่ยกตัวอย่างเมื่อสักครู่เนี่ยกาลังโกรธอยู่นะโกรธผู้ปกครองนะจะไปยิงให้ตายแต่พอมีคนมาทักมีคนมาแตะมือได้สติเลยนะไอตอนนั้นนะเห็นความโกรธเกิดขึ้น รู้ตัวก่าลังโกรธพอรู้ตัวว่ากลังโกรธในความโกรธมั น, ม, นมันดับมันหายไปเลยอย่างทันทีไม่ต้องไปกดข่มมันเลยเพราะจุดออกของมันคือการถูกรู้ถูกเห็นด้วยสติดังนั้นเวลามีอาวความโกรธหรืออารมณ์ใดๆเกิดขึ้นเนี่ยมันจะกลัวหนักกลัวหนาหนากลัวจะถูกรู้ถูกเห็นมันก็เลยพยายามส่งจิตออกนอกส่งจิตออ ก, อกนอกมันก็ปลอดภัยเลยเพราะว่า จะมีสติมารู้ทันมันได้ยังไงนะเพราะตอนนั้นจิตมันถูกเพ่งออกไปที่ข้างนอกหมดเลยมันก็ลอยนวลไปได้แล้วมันก็จะสามารถจะมีทิพนะ์บงการจิตเราได้มากขึ้นและแถมจะมีเพิ่มอำนาจเพิ่มหรือขยายตัวให้รุนแรงขึ้น แน่นถ้าเราเนี่ยมันมารู้สึกตัวบ่อยๆเนี่ยหรือมันมาดูใจดูใจบ่อยๆเนี่ยไออารมณ์พวกนี้เนี่ยมันมันก็จะหายไปมันก็จะคลอนแคลนถึงแม้จะไม่หายไปทันทีแต่มันก็จะคลอนแคลนมันยอนไม่ได้เพราะนั้นมัต้องพยายามส่งพยายามให้จิตเนี่ยส่งออกนอกออกไปจดจ่อข้างนอกไม่ให้กลับมามาดูมารู้ใจเราแต่ถ้าเราพยายามกลับมาตามดูรู้ใจกลับมามองตัวบ่อยๆเนี่ยนะจนเป็นนิสัยเนี่ย ให้อารมณ์เช่นความกลัวก็จะคลองจิตคลองใจได้ยากให้สังเกตว่าเวลาเราเกิดอารมณ์เช่นเศร้าโศกเสียใจโกรธเนี่ยมันจะจิตมันจะส่งออกนอกตลาแเวลาหรือไม่ก็ไหลไปจดจ่ออยู่กับเรื่องราวอาดีตแต่นั่นไม่ใช่อุบายอย่างเดียวของมันนะมันก็พยายามที่จะสรรหาเหตุผลเพื่อมารองรับสนับสนุนอารมณ์ที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นอารมณ์ก็ตามรวมทั้งอารมณ์อยากด้วยคนที่อยากจะขโมยอยากจะคอร์รัปชันเนี่ยพวกนี้ก็รู้ว่าไม่ถูกนะมันไม่ดีนะแต่เวลาหน้ามืดขึ้นมาเนี่ยแม้มันทีจะมีการเสียงเตือนในใจว่าไม่ไม่ดีนะมันผิดกฎหมายผิดศีล น, นะแต่มันก็จะมีการอ้างเหตุผลคึ้ว่าว่าไม่เป็นไรหรอกใครๆเขาก็ทำกันไม่มีใครรู้หรอกเนี่ย หรือว่าเวลาอยากจะกินเหล้าทั้งที่ร้วนเหล้านี่ไม่ดีนะไอ้ตัวความอยากมันก็จะมาสันไนเหตุผลบอกว่าเฮ้ยนิดเดียวเองแค่เป๊กเดียวเองหรือว่าสังสรร์นนะเขาเรียกเขาชวนแล้วปฏิเสธมันน่าเกลียดนะมันก็จะมีเหตุผลที่หล่อเลี้ยงสนับสนุนให้อาความอยากความโกรธก็เหมือนกันนะเวลาโกรธนี่มันจะมีเหตุผลมาสนับสนุน เราควรจะโกรธต่อไปอ้างเราจะพยายามนึกถึงความไม่ดีของเขาแล้วรู้สึกว่าเราจำเป็นที่จะต้องสั่งสอนเนะี่ยเพราะมันชั่วมันไม่ดีต้องสั่งสอนเนะี่ยต้องทำให้มันเป็นเยี่ยงอย่างเนะี่ยอย่างที่เราเคยดูคลิปเนี่ยของคนที่ชนะื่อน็อดกาบรถกูเนี่ยตอนที่เขาต่อยตอนที่เขาตบ คนที่ชื่อบอยเนี่ยที่ที่ชนแล้วหนีเนี่ยก็จะคนที่ชื่อนัทก็จะตะโกนบอกว่าเนี่ยหนีทำไมหนีทำไมนะพูดทํานองว่าเนี่ยต้องการสั่งสอนว่าชนแล้วอย่าห น, นีในใจเนี่ยต้องการสั่งสอนว่าคนชนแล้วหนีมันน่ารังเกียจต้องจัดการไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างนั้นก็มีเหตุผลที่จะมาลองรับนะความโกรธแล้วก็ลองรับสนับสนุน พฤติกรรมของเขาไม่ว่าจะเป็นการด่าหรือการตกการต่อยตัวอารมณ์เนี่ยมันจะสันหตุผลมานะบางทีก็รู้นะว่าทาแล้วไม่ดีนะเกิดความเสียหายถ้าไปด่าหรือทำร้ายหรือทำลายข้อของแต่มันก็จะมีเหตุผลมารองรับว่าเนี่ยถึงตายนะนะกูก็ไม่ยอมนะต้องจัดการเวลาเศร้าก็เหมือนกันนะมันก็จะมีเหตุผลมารองรับ ว่าทำไมเราควรจะเศร้านะล้วคนสมัยนี้เนี่ยก็เชื่อเหตุผลง่ายๆด้วยนะเราควรจะเศร้าเพราะว่านะคนอื่นเขาไม่เห็นเจอแบบเราเลยนะทำไมต้องเป็นเราด้วยทำไมต้องเป็นชั้นทำไมต้องเป็นชั้นนะหรือว่าบางทีก็ให้ผลความเศร้าว่าเนี่ยถ้าเราไม่เศร้าแสดงว่าเราไม่รักเขานะเขาตาย นะพ่อทั้งคนแม่ทั้งคนตายไปทำไมเราจะไม่ไม่สมควรร้องไห้ทำไมเราไม่สมควรเศร้าเนะี่ยเราต้องเศร้าสิต้องร้องผหมร้องไห้สิเพราะไม่งั้นแสดงว่าเราไม่รักเขาเนะี่ยมันก็หาเหตุผลมาเนี่ยคือวิธีการที่ไอพวกอารมณ์เหล่านี้เนี่ยมันจะหลอกเรานะให้จมให้ยอมรับนะ ให้จมอยู่ในอารมณ์แล้วก็ยอมรับในอำนาจของมันมันจะบงการให้เราเนี่ยกลายเป็นผู้พิทักษ์นะอารมณ์เหล่านี้ทั้งที่เรากล่วมันไม่ดีนะแต่ว่าสุดท้ายเราก็กลายเป็นทาาของมันเป็นองครักษพิทักษความโกรธเป็นองครักษพิทักษความเศร้าเป็นองครักษพิทักษความคิดใครจะคิดต่างจากเราไม่ได้ต้องจัดการต้องด่าเนี่ยต้องสั่งสอนเนี่ย เนี่ยเป็นอุบายของมันนะที่ทำให้เราเนี่ยยาแย่มันหลอกให้เรากลายเป็นองค์รักพิทักตัวมันเอาไว้เวลาเศร้าเนี่ยนะมีคนจะชวนให้ไปทำโน่นทานี่จะได้หายเศร้าก็ไม่ยอมนะชวนให้ไปเที่ยวก็ไม่ไปนะฉันจะขอเศร้าอย่างนั้นแหละเวลาฟังเพลงก็จะฟังแต่เพลงเศร้า เพลงที่จะทำให้เกิดความกระชุ่มกระชวยนะเกิดความตื่นตัวเนี่ยก็ไม่ฟังนะจะขอฟังแต่เพลงเศร้าๆเพื่ออะไรก็เพื่อให้มันเศร้าหนักขึ้นเพราะนี่คือสิ่งที่ความเศร้าหรือความหลงมันต้องการเวลาโกรธมีคนมาแนะนาว่าให้อาภัยก็ไปเถอะก็จันทร์สันหายเหตุผลว่าให้อาภัยไม่ได้นะ บางทีแค่นั้นไม่พอนะกลับไปโกรธคนที่แนะนําอย่างกันสิลูกแนะนําขอร้องแม่ว่าอย่าไปอย่าไปโกรธก็เลยให้อาภัยก็ไปเถอะเรื่องผ่านไปยี่สิบสามสิบปีแล้วเนี่ยจะไปโกรธทำไมลูกกลัวแม่นะเส้นเลือดในสมองแตกแล้วก็กลัวแม่ว่าถ้าเกิดตายจะไปอบายนะก็เลยขอร้องแม่ให้อาภัยก็ไปเถอะ เรื่องมันผ่านไปแล้วยี่สบสาสบปีแล้วแม่โกรธนะด่าลูกเราก็ว่าลูกเนี่ยกำลังมาแย่งชิงของรักของหวงไปจากแม่นให้ความโกรธนี่มันน้าหวงหน้าแหนที่ไหนแต่แม่ด่าลูกเพราะอะไรเพราะความโกรธมันสั่งความโกรธมันต้องการที่จะปักหลักนะมั่นคงในจิตใจของแม่ให้นานที่สุดเท่าที่จะนานได้นี่มันเหมือนกับสิ่งมีชีวิตอย่างหนึ่งนะที่ต้องการอยู่รอดให้ได้ มันก็จะทำทุกอย่างนะเพื่อให้มันอยู่ก็เหมือนก็เชื้อโรคในร่างกายเราเนี่ยเราจะกินยายังไงวะกินยาปฏิชีวนะกี่ขนาดกี่ขนาดเมื่กี้มันสู้นะมันก็พยายามที่จะหาทางดื้อยาหาทุกวิธีการเพื่อที่จะดื้อยาเพื่อที่มันจะได้อยู่ในร่างกายเราได้นานยิ่งมะเร็งนี่แย่ยิ่งแล้วใหญ่นะนะฉายแสงเข้าไปฉีดเคมเีก็ไปนะ มันสู้นะมันก็พยายามที่จะอยู่ในร่างกายเนี่ยของเราเนี่ยให้นานที่สุดแล้วก็ไม่ใช่แค่นั้นมันจะแผ่ขยายไปจากกระเพาะอาหารไปสู่ตับไปสู่สมองเนี่ยอารมณ์ก็เช่นเดียวกันตัวหลงก็เช่นเดียวกั น, นแต่ว่าอย่างที่บอกนะมันแพ้มันแพ้ทางมันแพ้ทางสติ มันกลัวถูกรู้ถูกเห็นนี่คือจุดอ่อนที่สําคัญงั้นตรงหมั่นนะมันเวลาเรามีอารมณ์ขึ้นมาเนี่ยหรือจมหลงเข้าไปนในความคิดนี่กลับมารู้สึกตัวให้ได้กลับมารู้ทันกลับมารู้ทันนะกลับมาเห็นไอ้ความคิดและอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นพวกนัคือหมั่นสังเกตความคิดมันสังเกตจิตใจของเรามันมองตนบ่อยๆแต่ว่าเนื่องจากเราเนี่ยไม่ค่อยชอบหันมาดูข้างในใจ ไม่ใช่หันไม่คอยหันมามองตนเท่าไหร่มีแต่ส่งจิตออกนอกนั้นเราต้องพยายามสร้างนิสัยให้มันนะมองใจมันสังเกตความคิดรู้ทันอารมณ์นี่ที่เราปฏิบัตินี่แหละเพื่อที่จะมาสร้างนิสัยใหม่ขึ้นมาเนาะโดยอาศัยความรู้สึกตัวโดยอาศัยความรู้สึกทางกายนะหลวงพ่อเชิญต้องอย่าพูดเสมอให้รู้สึกรู้สึกรู้สึกเนะปฏิบัติเนี่ยใหม่ๆเนะี่ยยิ่งเป็นคนใหมย่ยิ่งต้องพยายามรู้สึกให้มากมาก รู้สึกในที่คือรู้สึกทางกายนะแล้วมันจะทำให้รู้สึกตัวไม่ถ้าเป้ความหลงนี่มันกระเด็นกระดอนไปออกไปจากใจของเราแต่นี่ก็แค่หลงตัวแรกนะหลงชนี้ละคือหลงที่หมายความว่าไม่รู้ตัวมันจะมีหลงอีกตัวหนึ่งที่ฝังลึกมากคือไม่รู้ความจริงนะแต่การไม่รู้ตัวเนี่ยนะแต่การรู้ตัวเนี่ยมันก็จะเป็นเป็นกุญแจหรือเป็นบันได ขั้นสำคัญเลยที่จะนำไปสู่การรู้ความจริงเอาคำนี้ก็เพื่อเท่านี้ก่อนขบรับ